อะไรเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่มีคุณค่าแก่จิตใจที่สุดสิ่งที่มีคุณค่าแก่จิตใจที่สุดก็คือพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเป็นสิ่งเดียวในโลกนี้ที่สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆภายในใจ ให้หมดสิ้นไปได้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัพราดพลาคจากกันผู้ใดมีพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจจะไม่เจอกับความทุกข์เหล่านี้เลย จะอยู่เหนือความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายอยู่เหนือความทุกข์ของการพัดพ่าออกจากกันได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถที่จะทำได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้ดับไปให้หมดไปได้ ดังนั้นพวกเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาเป็นที่พึ่งของเราอย่าไปพึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายในโลกนี้เพราะไม่สามารถเป็นที่พึ่งที่จะดับความทุกข์ของใจได้ มีแต่จะเพิ่มความทุกข์ของใจให้มีมากขึ้นไปถ้าต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเราจำเป็นที่จะต้องมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นผู้สั่งสอนเป็นผู้บอกวิธีกำจัดแล้วพอเราได้ รู้จักวิธีกำจัดแล้วเราก็นำเอาไปกำจัดแล้วความทุกข์ต่างๆที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้จะหายไปหมดความทุกข์ของเรานี้ก็เป็นเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายความทุกข์ของใจนี้เป็นโรคภัยไข้เจ็บของใจ โรคภัยไข้เจ็บของร่างกายก็คือโรคต่างๆโรคมะเร็งโรคความดันโรคอะไรต่างๆที่จะต้องใช้ยารักษาถึงจะหายได้ถ้าเป็นแล้วไม่ไปรักษาก็จะไม่หายฉันใดโรคของใจก็เช่นเดียวกัน ถ้าอยากให้โรคของใจหายไปก็ต้องไปรักษายาที่จะรักษาโรคของใจก็คือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี่เองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเหมือนอยารักษาโรคใจถ้าเราอยากจะให้โรคใจคือความทุกข์ใจต่างๆหายไปหมดเราก็จําเป็นที่จะต้องออไปหา อย่าไปหาหมอคือไปหาพระพุทธเจ้าถ้าหาได้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วก็ไปหาพระธรรมคําสั่งคําสอนที่ได้มีการบันทึกเก็บเอาไว้ในพระไตรปิฎกหรือถ้าเราสามารถหาพระอริยสงสาวกได้เราก็เข้าหาพระอริยสงสาวกแล้วท่านจะสอนวิธีที่จะทําให้ ความทุกข์ต่างๆหมดไปเหมือนกับเวลาที่เราไม่สบายทางร่างกายเราก็ต้องเข้าหาหมอพอหาหมอหมอก็จะให้ยามารับประทานพอรับประทานยาไปแล้วเดี๋ยวโยครคภัยไข้เจ็บทางร่างกายก็จะหายไปได้ เ, เหมือนกันโรคทางใจกับโรคทางกายเหมือนกัน ต้องมียารักษาโรคถึงจะหายได้มียาแล้วก็ต้องรับประทานยาไม่ใช่มีแล้วไม่รับประทานยาก็ไม่หายเช่นไปหาหมอหมอให้ยามารับประทานแต่ไม่ชอบรับประทานยากไม่รับประทานยาโรค ก, ก็จะไม่หายโรคของใจก็เหมือนกัน เวลามีความทุกข์ใจเราก็ไปเอาอยาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์มาถ้าเราเอามาแล้วเราไม่รับประทานยาโรคของใจก็จะไม่หายเช่นเดียวกันการไปรับยาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เรารับอย่างไรก็รับด้วยการศึกษานี่เองออด้วยการฟังเทศฟังธรรม ด้วยการอา่านหนังสือธรรมพอเราได้ฟังเทศฟังธรรมได้อา่านหนังสือธรรมะเราก็จะได้รู้วิธีที่จะกำจัดความทุกข์ภายในใจของเราให้หมดไปถ้าเรารู้วิธีแล้วแต่เราไม่ปฏิบัติตามความรู้ โรคภัยค่าเจ็บของใจคือความทุกข์ใจต่างๆก็จะไม่หายไปจะหายไปก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระธรรมคำสอนก็ดีของพระอริยสงสาวุก็ดีก็เป็นการรับประทานยานี้ พอรับประทานยาแล้วเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บความทุกข์ต่างๆภายในใจก็จะหายไปหมดสิ้นหายหมดสิ้นไปเหลือแต่ความสุขอยู่เพียงอย่างเดียวนี่คือประโยชน์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นยารักษาโรคใจพวกเราทุกคนนี้ไม่มีใครปฏิเสธ ได้เลยว่าไม่มีความทุกข์ใจต่อให้ร่ารวยขนาดไหนมีเงินทองมากมายขนาดไหนต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนมีอำนาจมากน้อยเพียงไรก็ตามต่อให้เป็นผู้ที่ดีเด่นในด้านต่างๆได้รับเหรียญทองจากสถาบันต่างๆก็ยัง ต้องเจอความทุกข์ภายในใจอยู่ทุกคนเพราะเงินทองไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ทางใจได้การเป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ทางใจได้การได้รับเหรียญรางวัลต่างๆก็ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ทางใจได้มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้น การปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นที่จะทำให้ความทุกข์ทางใจหมดสิ้นไปได้นี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะเรียนรู้กันควรจะทำความเข้าใจกันว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ถึงแม้จะให้ความสุขมากมายขนาดไหนก็ตามแต่มันไม่สามารถที่จะมา กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ดังนั้นอย่าไปเสียเวลาหาสิ่งต่างๆเลยเพราะต่อให้ได้มาแล้วก็ยังต้องมาร้องห่มร้องไห้ยังต้องมาเศร้าโศกเสียใจสู้ไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วความทุกข์ต่างๆภายในใจจะหายไปหมดสิ้นเลยจะไม่ต้องทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุกข์ยากลาบากทางร่างกายอดอยากขาดแคลนหรือเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเรื่องของความแก่ของร่างกาย เรื่องของความตายของร่างกายเรื่องของการพัดพากจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไปจะไม่ทำให้เรารู้สึกเจ้าโสกเสียใจแต่อย่างใดเลยแต่ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้จะเป็นมหาเศรษฐีเป็นประธานาธิบดีเป็นผู้ที่ได้ชนะเหรียญทองต่างๆ เวลาเจอความแก่เจอความทุกข์เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความตายเจอการสูญเสียเจอการพัาดพาคจากกันจะต้องทุกข์กันด้วยกันทุกคนดังนั้นเราต้องอรู้จักเลือกวิธีบำบัดความทุกข์ใจของพวกเราและพวกเราต้องยอมรับว่า ความทุกข์ใจนี้เราจะต้องเจอมันอยู่เรื่อยๆตราบใดที่เรามาเกิดกันถ้าเรามาเกิดแล้วเนี่ยเราจะต้องเจอความแก่อย่างแน่นอนเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างแน่นอนเจอความตายอย่างแน่นอนเจอการพลาดพลาดจากกันอย่างแน่นอนถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเหตุการณ์เหล่านี้เรามี วิธีที่จะกำจัดความทุกขเหล่านี้ได้และวิธีที่จะกำจัดความทุกข์เหล่านี้นานๆจะมีโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งไม่ใช่จะมีทุกยุคทุกสมัยจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้การจะปรากฏพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอน มีพระ อ, อริยสงสาวกถึงจะสามารถมีพระพุทธพระธรรมถึงสามารถมีพระพุทธศาสนาให้อยู่กับโลกไปได้เป็นเวลาอันยาวนานอย่างพระพุทธศาสนาที่พวกเรานับถือกันอยู่ในขณะนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณห้าพันปีด้วยกันที่อยู่ได้ก็เพราะว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเอง ในเบื้องต้นต้องมีพระพุทธเจ้าก่อนต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจพอมีพระพุทธเจ้าแล้วถ้าพ ร, พระองค์มีความขวนขวายที่จะโปรดสัตว์โลกพระองค์ก็จะแสดงธรรมจะเผยแผ่ธรรมเรียกว่าประกาศพระธรรมคำสอน พอมีการประกาศพระธรรมคำสอนก็จะมีผู้ฟังผู้สนใจที่จะน้อมนําเอาไปปฏิบัติพอได้น้อมนําเอาไปปฏิบัติแล้วก็จะสามารถกําจัดความทุกข์ภายในใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้พอได้ทาได้สําเร็จแล้วก็กลายเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาเป็นผู้ที่มีความชำนาญ มีความรู้เหมือนกับพระพุทธเจ้าสามารถที่จะสอนผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ศาสนาพุทธจะอยู่ได้ต้องมีพระธรรมมีผู้ที่สนใจที่จะมาศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจนสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้แล้วก็จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะ สอนให้ผู้อื่นต่อไปได้ถ้ามีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวไม่มีการประกาศพระธรรมคำสอนก็จะไม่มีผู้ที่จะได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามได้บรรลุผลตามก็จะไม่มีพระอริยสงสาวกเมื่อไม่มีพระอริยสงสาวกไม่มีพระธรรมคาสอน มีแต่พระพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีจะไม่มีใครรู้ว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วไม่มีใครรู้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถนําเอาไปปฏิบัติเพื่อกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้พอพระพุทธเจ้าตายไปอก็จบ ได้ประโยชน์เพียงคนเดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าถ้าเป็นแบบนี้พระพุทธเจ้าก็จะเป็นพระประเจกะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้มีสองแบบด้วยกันแบบที่ไม่สั่งสอนผู้อื่นเราเรียกว่าพระประเจกะพุทธเจ้าแบบที่สั่งสอนผู้อื่นแบบผู้ที่ประกาศาพระธรรมคำสอน แบบที่มีอริยสงสาวกแบบที่มีพุทธศาสนาปรากฏตามขึ้นมาเราเรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราโชคดีที่ได้มาอยู่ในยุคที่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะถ้าเราไปเกิดอยู่ในยุคของพระประเจกะพุทธเจ้าเราจะไม่ได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเลย เพราะพระองค์จะไม่สอนใครนั่นเองจะไม่บอกใครจะไม่มีใครรู้ว่ามีผู้ที่ได้ค้นพบวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้ว<ม>ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระปฏิเจกาพุทธเจ้า<ม>จะได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า<ม>ที่หลังทรงที่หลังจากได้ทรงตัดจารุแล้ว ก็นำเอาพระธรรมคำสอนมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราในระยะแรกๆหลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้ใหม่ๆนี้พระพุทธเจ้าของเราก็ยังสองจิตสองใจอยู่ยังไม่แน่ใจว่าจะสอนดีไม่สอนดีทรงท้อพระไถยเท่าที่ได้ยินเพราะว่าทรงเห็นว่าวิธีการปฏิบัติ กำจัดความทุกนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายแต่ไม่ใช่เป็นของสุดวิสัยเป็นเหมือนกับการปีนภูเขาการปีนภูเขานี้มันไม่ใช่เป็นของง่ายแต่มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยไม่เหมือนกับการเดินลงเขานการเดินลงเขานี้เป็นสิ่งที่ง่ายนเี่ยญาโยมไม่เชื่อลองเดินขึ้นเขาดูกับเดินลงเขาดู ว่าอันไหนมันจะง่ายกว่ากันในเบื้องต้นพระองค์ก็ทรงมองคนทั่วไปเห็นว่าคนทั่วไปนี้ท่าทางจะไม่ไหวที่จะสามารถเอาคำสอนที่พระองค์จะสอนนี้ไปปฏิบัติตามได้ก็เลยตอนต้นไม่อยากจะสอนแต่ต่อมาตามที่ได้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกก็มีเท้ามาหาพรหม ได้เข้ามาอาราธนาขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้าให้ได้โปรดได้มาสงเคราะห์สัตว์โลกอย่างพวกเราเถิดเพราะสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้กําลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ในวัฏฏะสงสารกันเป็นเวลาอันยาวนานและจะไม่มีโอกาสไม่มีวันที่จะหลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ได้เลย ถ้าพระองค์ไม่มีความเมตตาที่จะประกาศพระธรรมคาสั่งคำสอนให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนพวกที่ติดคุกติดตารางนี่เองพวกที่ถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตจะไม่มีวันที่จะออกจากคุกได้เลยถ้าไม่มีผู้ที่มีความสามารถที่จะมาพาออกไป หลังจากที่ได้รับการอาราธนาแล้วพระองค์ก็เลยใช้เวลาพิจารณาอยู่สักระยะหนึ่งก็ทรงเห็นว่าสัตว์โลกที่พระองค์จะทรงปลดนี้ไม่เหมือนกันทุกคนมีอินทรีย์มีความรู้ความสามารถมีความฉลาดมีความโง่มากน้อยไม่เท่ากันพระองค์ก็เลยทรง จำแนกจัดโลกไว้เป็นสี่พวกด้วยกันที่เราเปรียบเทียบว่าเป็นพวกบัวสี่เหล่านี้เองพวกบัวสี่เหล่านี้จะมีอยู่สามเหล่าที่จะสามารถรับประโยชน์จากพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พวกที่หนึ่งนี้เป็นพวกที่มีความสามารถมีความฉลาดมีความรู้มาก สามารถที่จะรับคำสั่งคำสอนและนําเอาไปปฏิบัติจนบรรลุผลได้ในเวลาอันสั้นและรวดเร็วทรงเปรียบเหมือนกับบัวที่อยู่เหนือน้ำบัวที่อยู่เหนือน้ำนี้พอได้สัมผัสกับแสงพระอาทิตย์บัวก็จะบานขึ้นมาถ้าบัวยังอยู่ใต้น้ำอยู่หรืออยู่เปลิ่มนน้ำอยู่นี่ ถึงแม้จะได้สัมผัสกับแสงพระอาทิตย์ก็ยังไม่สามารถที่จะบานได้ต้องรอเวลาให้เจริญเติบโตให้ผัวขึ้นมาอยู่เหนือน้ําก่อนแล้วถึงจะสามารถบานออกมาได้เวลาที่มีแสงอาทิตย์มาสัมผัสพวกที่หนึ่งนี้ก็เหมือนกับจิตใจที่มีความพร้อมที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรม คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกนี้เป็นพวกที่มีศีลบริสุทธิ์เป็นมีสมาธิมีจิตใจที่ตั้งมั่นในความสงบในฌานขั้นต่างๆพวกนี้แหละจะเป็นพวกที่พอได้ยินได้ฟังธรรมปั๊บเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้เลยอันนี้คือบัวเหล่าที่หนึ่ง พอพระองค์ได้ทรงพิจารณาก็ทรงเห็นว่ามีพวกนักบวชทั้งหลายนี้เป็นผู้ที่จะพร้อมรับพระธรรมคำสอนของพระ อ, องค์และสามารถน้อมนําเอาไปปฏิบัติและบรรลุธรรมได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วบรรลุได้ทั้งในขณะที่กำลังฟังธรรมเลยในเบื้องต้นพระ อ, องค์เลยมุ่งไปสู่พวกนี้ก่อนมุ่งไปสั่งไปสอนพวกบัวเหนือน้ำก่อน พวกบัวที่กำลังรอแสงสว่างแห่งธรรมพ อ, อมีแสงสว่างแห่งธรรมปั๊บก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้เลยเออพวกนี้มีอะไรถึงสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังก็มีศีลบริสุทธิออ์มีสมาธิที่ตั้งมันออมน่นมีฌานตั้งแต่ฌานที่สี่ขึ้นไป เรียกว่าอัปปนาสมาธิพวงนี้พอได้แสงสว่างแห่งธรรมคือปัญญาความรู้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์รู้ว่าอะไรจะกําจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจได้พอพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระอริยรรสัจสีทรงสอนว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากตัณหาความอยากที่มีอยู่ภายในใจสามประการด้วยกัน คือหนึ่งกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาถ้าตาบใดยังมีความอยากทั้งสามนี้กามตันหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสทศพะเช่นอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากเดิมเครื่องเดิมรถชนิดต่างๆอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากมีแฟนอะไรทำนองนี้เรียกว่าเป็นกามตันหาทั้งนั้น พ่าเป็นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะมีเป็นการอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะลองสังเกตดูเวลาเกิดความอยากแล้วใจเราเป็นยังไงเป็นปกติไหมสงบไหมหรือ ว, วุ่นวายขึ้นมาพออยากจะดื่มสุรานี่มือไม้สัน่นใจสั่นขึ้นมาพออยากจะไปเที่ยวอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยใจมันจะเริ่มสั่นขึ้นม า, ท, าทันที ความสั่นของใจนี่แหละก็คือความทุกข์มันมีหลายระดับทุกแบบเบาๆไปจนถึงทุกแบบทรมานจนถึงขั้นต้องฆ่าตัวตาย เ, ยเกิดจากตัณหาทั้งนั้นเกิดจากกามาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากสวยอยากหล่อ อยากได้คํายกย่องสรรเสริญเยินยอเนี่ยเรียกว่าภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นมีใครไม่มีบ้างทุกคนอยากให้เขาชมทางนั้นไม่มีใครอยากให้เขาด่า ก, กันความอยากไม่ให้เขาดา่าก็เรียกว่าวิภาวะตันหาความอยากไม่ยากจนความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้ก็เป็นตันหาข้อที่สามชนิดที่สามเรียกว่าวิภาวะตันหา ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากสามตัวนี้แหละที่เป็นเหตุที่ทําให้ใจวุ่นวายใจมีความทุกข์กับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้ก็เพราะตัณหาความอยากทั้งสามนี้นั่นเองแล้ววิธีที่จะกําจัดตัณหาความอยากทั้งสามนี้ได้พระพุทธเจ้าก็ส่งคนพบว่าจะต้องมีศีลต้องมีสมาธิแล้วก็มี ปัญญาคือมีอริยสัจสี่พวกนักบวชนั้นที่พระพุทธเจ้าไปทรงโปรดนั้นเขามีสองอย่างอยู่แล้วเขามีศีลที่บริสุทธิ์เขามีสมาธิมีจิตใจที่ตั้งมัน่นแต่สิ่งที่เขาขาดคือพระอริยสัจสีเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ใจของเขาทุกข์เขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่จะกำจัด เหตุที่ทำให้ใจทุกข์ได้พอได้ยินได้ฟังพระอริย ส, สัจสเขาก็รู้ทันทีเขาก็สามารถดับความทุกข์กําจัดหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้ทันทีเลยเขาเลยบรรลุได้อย่างรวดเร็วเป็นพระอริยสงสาวกขขึ้นมาอย่างง่ายดายและรวดเร็วเพราะเขาได้ทำการบ้านของเขาไว้ก่อนแล้ว เขาได้รักษาศีลอย่างบริสุทธิ์แล้วเขาได้ฝึกสมาธิจ น, จนจิตของเขาตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาพอได้ยินได้ฟังอริยาศาศาสัจสี่เท่านั้นเขาก็รู้เลยว่า อ, อ๋อความอยากของเรานี่เองเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์งั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากการที่เราจะไม่อยากก็ต้องเห็นสิ่งที่เราอยากว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่เที่ยง ต่มันดีให้มันวิเศษขนาดไหนก็ตามไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการจากกันมีการพัดพากจากกันพอเ ว, เวลาพัดพากจากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักใจของเราก็เศร้าโศกเสียใจขึ้นมาทันทีนะพวกนี้พอได้ยินได้ฟังทำรรก็จะบรรลุ ก, กันเลย นี่คือกลุ่มแรกที่พระเจ้าทรงมุ่งไปโปรดในช่วงแรกของการเผยแผ่พระธรรมคาสอนทรงมุ่งไปสู่พวกที่เป็นบัวเหนือน้ําพวกที่มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิมั่นคงเพียงแต่ขาดอริยสัจสี่พอแสดงอริยสัจสี่แสดงไตรักษอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันขึ้นมาเลยครั้งแรกก็ห้าคน พระปัญจวัคคีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้กับพระปัญจวัคคีทั้งแสดงอริยสัจสี่มีหนึ่งในพระปัญจวัคคีมีดวงตาเห็นธรรมก่อนเอเห็นอนิจจังก่อนเอแต่อีกสี่องค์นี้ความรู้ความฉลาดยังไม่เท่ากันอแต่ศีลเท่ากันสมาธิเท่ากั น, กนแต่ปัญญานี้ที่จะสามารถ น้อมเอาอริยาศาสตร์มาเข้ามาให้เกิดความเข้าใจได้นี่ยังไม่เท่ากันคือยังมีความช้าเร็วต่างกันปัญญายัางช้าเร็วต่างกันคนที่หัวไวพอได้ยินได้ฟังปับ๊บเข้าใจปุ๊บตัดกิเลสได้หยุดความอยากได้ทันทีเลยแต่ไม่นานพอแสดงธรรมครั้งที่สองแสดงเรื่องอนัตตาตอนต้นแสดงอนิจจังทุกขงัง พระวพอมาแสดงอนัตตาพระปัญจวคีทั้งห้ารูปก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เลยกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ซึ่งจะไม่สามารถทําได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้สอนพระอริย ส, สัจสีเป็นผู้มาสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องมีอริยสัจสี่ต้องมีอนิจออนนจังทุกขังอนัตตา ถึงจะเรียกว่าปัญญาถึงจะสามารถที่จะนำเอามากำจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจให้หมดสิ้นไปได้นี่คือบัวเหล่าที่หนึ่งเป็นพวกบัวเหนือน้ำพระพุทธเจ้านี้ทรงไปโปรดพวกนี้ก่อนเลยทั้งต่อไปก็ไปสอนพวก พวกที่มีที่อยู่ในสำนักเดียวกันห้ารอรูปพอแสดงทําให้กับพวกนี้500รรูปพร้อมกันฟังพร้อมกันพอแสดงธรรมจบก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทั้ง500รอรูปเลย น, นี่คือความมหัศจรรย์ของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าของของความสามารถของพระพุทธเจ้าในการรู้จักเลือกบุคคลที่ควรต่อการรับ ทำอันประเสริฐนี้ส่งเลือกคนที่พร้อมคนที่มีภาชนะรองรับเหมือนกับเวลาที่เราจะแจกอาหารให้กับใครนี้เราต้องดูว่าเขามีจานมารับหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีจานมารับนี่เราก็ไม่รู้จะเอาอาหารใส่อะไรให้เขาใส่ให้มือเขาก็ได้นิดเดียวพวกที่ไม่มีภาชนะจะไม่สามารถรองรับปัญญาของพระพุทธเจ้าได้ ต้องมีภาชนะคือศีลและสมาธิพอมีศีลมีสมาธิแล้วพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระอริยรรสัจสีทรงแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ทรงสามารถก็จะสามารถน้อมเอาไปกำจัดกิเลสตัณหากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้เลย พระ อ, องค์จึงทรงบุ้งไปหาพวกที่มีภาชนะก่อนพวกที่มีจานมีชามมารองรับอาหารอันประเสริฐคือรสแห่งธรรมอันประเสริฐรสของความพ้นทุกนี้เองเรียกว่ารสแห่งธรรมพอเขามีจานมีชามมารองรับท่านก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามให้เขาเลยพอเขาได้ปับ๊บเขาก็ออกไปรับประทานพอรับประทานใจของเขาก็อิ่มสบายหายทุกข์หายหิวไป อย่างไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยพอพระองค์ได้ทรงโปรจพวกกลุ่มที่หนึ่งจนไม่มีเหลืออยู่แล้วพระองค์ก็เลื่อนมาสู่พวกกลุ่มที่สองบัวเหล่าที่สองบัวเหล่าที่สองนี้เป็นยังไงท่านเปรียบเหมือนบัวที่เปรียมน้ํายังไม่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ํากําลังอยู่อยู่ขอบน้ําอยู่กําลังจะโผล่ขึ้นมารออีกวันสองวันก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําได้ ตรงนี้พระ อ, องค์ทรงเปรียบว่าเป็นพวกที่มีศีลบริสุทธิ์แต่ยังไม่มีสมาธิกําลังฝึกสมาธิอยู่กําลังหัดเดินจงกรมจเจริญสติกําลังหัดนั่งสมาธิกันอยู่แต่จิตยังไม่รวมเป็นฌานยังไม่รวมเป็นอัปปนาสมาธิพวกนี้พระ อ, องค์ก็เลยมาสอนให้เขาอ่าเจริญสติก่อนมาจเจริญสมาธิก่อน ยังไม่สอนเรื่องปัญญาสอนให้ฝึกสติก่อนฝึกให้มีคือให้ไปหาภาชนะมารองรับอาหารก่อนก่อนที่จะตักอาหารต้องมีจานมีชามไว้ใส่ก่อนตอนนี้เขามีช้อนมีศีนะแต่ไม่มีจานที่จะตักที่จะใส่อาหารมีช้อนตักอาหารแต่ไม่มีจานไม่มีชามถ้าเวลาเราแจกอาหารคนเดินมารับอาหาร เอาแต่ช้อนมาเราก็ต้องบอกเขาว่าไปเอาจานมาก่อนถึงจะใส่อาหารให้ได้ฉันได้พวกที่มีศีลบริสุทธิ์แต่ยังไม่มีอัปปนาสมาธิยังไม่มีฌานสี่ขึ้นไปนี้ยังไม่สามารถที่จะรองรับอริยสัจสี่รองรับอนิจจังทุกขังอนัตตาได้พระพุทธเจ้าจึงสอนพวกนี้ให้เน้นอยู่ที่การเจริญสติเช่นในสติปัฏฐานสูตร ทรงเน้นให้เจริญสติก่อนให้ฝึกสติให้มีสติให้มากไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดเดินยืนนั่งนอนนี้ให้คอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สอนให้อยู่กับปัจจุบันสอนให้อยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกายเวลาเดินก็ให้อยู่กับการเดินไม่ใช่เดินไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ อย่างนี้เรียกว่าไม่เจริญสตินะถ้าจะเจริญสตินี้ต้องอยู่กับการเดินอย่างเดียวรู้ว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาหรือถ้ากำลังทำอะไรอยู่ก็รู้ว่ากำลังทำสิ่งนั้นเช่นกำลังปัดกวาดลานวัดนี่ก็จะมีสติอยู่กับการปัดกวาดกวาดไปทางซ้ายกวาดไปทางขวาเวลาเก็บดาะเก็บใบม่งใบไม้เอาไปทิ้ง ก็จะมีสติอยู่กับงานอย่างเดียวจะไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือวิธีเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาเป็นวิธีไปหาภาชนะที่จะมารองรับอาหารจานเด็ดคือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทา้งปวงต้องมีภาชนะคือต้องมีอัปปนาสมาธิจิตต้องรวมเป็นหนึ่งสักตะว่ารู้เป็นอุเบกขา จิตจะรวมได้เป็นหนึ่งเป็นอุเบกขานี้ต้องมีสติคอยดึงใจให้เข้าข้างในไม่ให้ใจออกไปข้างนอกให้ใจอยู่ที่ร่างกายหรือถ้ามันไม่ยอมอยู่ที่ร่างกายมันดือ้อมันจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ใช้คำบริกรรมดันมันกลับเข้ามามันจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็พุโทโธพุโทโธดึงกลับเข้ามาให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หยุดคิดเอง แล้วพอมานั่งเฉยๆจะพุทโธต่อก็ได้หรือจะดูลมหายใจต่อก็ได้แล้วถ้าเราอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่อัปปนาสมาธิในเบื้องต้นนี้ยังเข้าไม่ถึงอัปปนาจะเข้าในเข้าได้แค่คณิกะสมาธิคือความสงบแบบงูลบลิ้น เอไปปร๊บเดียวแล้วก็จะถอนออกมาเพราะอะไรเพราะกําลังสติที่ดึงใจเข้าไปนี้ยังมีไม่มากพอมีพอที่จะดึงเข้าไปแต่ไม่พอที่จะดึงไว้ให้อยู่นานๆเพราะสู้กําลังของตันหาความอยากไม่ได้แต่ถ้าพอออกมาก็กลับมาจเจริญสติใหม่คอยควบคุมใจ ให้ไม่ให้คิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธต่อไปแล้วพอมานั่งก็ทำเหมือนเดิมจะบริกรรมต่อก็ได้หรือจะดูลมหายใจต่อก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะรวมกันก็ได้มีหลายวิธีเวลานั่งสมาธิ บางคนก็อาพุทโธพุทโธอย่างเดียวบางคนก็เอานมหายใจอย่างเดียวบางคนก็เอาสองอย่างหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโอได้ทั้งนั้นได้ทั้งสามวิธีนี้แล้วแต่จะชอบบางคนชอบอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นความสบายใจนั่นเองถ้าทำในสิ่งที่ชอบมันจะสบายใจ มันไม่ฝืนถ้าทำในสิ่งที่ไม่ชอบมันฝืนมันจะยากอันนี้คือวิธีที่จะดึงใจให้เข้าสู่สมาธิได้นานๆเวลาออกจากสมาธินี้ต้องหมั่นฝึกสติต่อไปอย่าหยุดฝึกสติให้มสมีสติอย่างต่อเ น, นื่องจนเป็นสัมปะชัญญะคือไม่หดไม่หายถ้าเป็นสติแบบชั่วคราวนี้มันยังไม่เรียกว่าเป็นสัมปะชัญญะ มีสติได้สองสามวินาทีเผลอไปวับคิดหนึ่งนั้นสองสามนาทีแล้วค่อยกลับมามีสติใหม่อย่างนี้เรียกว่ายังไม่เป็นสัมปะชัญญะแต่สัมปะชัญญะนี่มันจะต้องมีอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายทําสติให้เป็นสติสัมปะชัญญะแล้วเวลานั่งมันจะเข้าไปในความสงบได้นานมันจะเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิได้ พอจิตมีความชานาญมีความสามารถในการดึงจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในฌานได้แล้วทีนี้ก็สามารถไปลองรับปัญญาได้ไปพิจารณาไตรลักษณ์ไปพิจารณ า, าอริยสัจสีได้พอเห็นอริยสัจสี่รู้แล้วว่าอ่อนต้นเหตุของความทุกข์ใจคือกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาการที่จะ หยุดกามตนะหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาได้ก็ต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเห็นสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะมองเห็นสิ่งที่เราอยากได้ว่าเป็นสุขเห็นอะไรก็สุขเห็นเงินทองก็สุขเห็นตำแหน่งก็สุขเห็นแฟนเห็นคนนั่นคนนี้ก็สุขแต่สุขตอนที่ได้มาเท่านั้นเองแต่พอเวลาผ่านไป สิ่งที่เราได้มามันเปลี่ยนไปได้มันเสื่อมได้คนที่หน้าตาดีๆพอมาอยู่กับเราไปสะพังเอาทาไมหน้าตาไม่ดีเหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆเพราะเพราะว่ามันเสื่อมมันเปลี่ยนไปพอพอความสุขที่ได้จากการได้อยู่กับคนหน้าตาดีๆพอหน้าตาไม่ดีเป็นหน้าตาขี้เหร่ความสุขที่ได้จากคนนั้นก็หายไป ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะจะไม่อยากจะอยู่คนนั้นอยากให้คนนั้นตายไปหรือหายไปถึงมีการยาล้างกันอยู่เรื่อยถึงมีการไปมีคนใหม่อยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าของเก่ามันเป็นสนิมนั่นเองใหม่ๆหน้าตาจุม๋มจิ๋มนี่ก็เรียกว่าอา น, นิจังไม่เที่ยงต้องเห็นอา น, นิจังแล้วจะเห็นทุกข์แต่เห็นว่ามันเปลี่ยนแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อความสุขมัน ที่มันมีอยู่กับสิ่งที่น่าดูเพราะสิ่งที่น่าดูหายไปความสุขนั่นก็หายไปเพราะสิ่งที่ไม่น่าดูปรากฏขึ้นมาความทุกข์มันก็ตามมาทันทีนี่คือการเห็นใจรับเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานี้ต่อไปมันจะกลายเป็นความทุกข์เพราะมันจะต้องเก่ามันจะต้องเสื่อมหรือมันจะต้องหมดไปนั่นเอง ม่เวลาที่ต้องแยกทางกันตายจากกันนี้ร้องหม่มล้องไห้หรือเลียงฉลองกันส่วนใหญ่ก็มีแต่ร้องหม่มล้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะไม่เห็นตายรักตั้งแต่ตอนต้นนะถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ตั้งแต่ตอนตอนน้นอย่างนี้ก็ไม่ไม่เอามันดีกว่าหยุดความอยากที่จะได้สิ่งนั้นบุคคล น, นั้นดีกว่านี่คือวิธีที่เราจะหยุดความอยากได้เราต้องเห็นตายรัก เราต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆเวลาที่เราได้มาใหม่ๆมันมักจะสวยงามน่าดูเราถึงอยากได้กันไงแต่พอมันกลายเป็นขยะไปนี่เราโยนทิ้งกันไปหมดไม่มีใครเก็บเอาไว้ในบ้านเลยทาไมมันถึงกลายเป็นขยะไปก็เพราะว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เป็นของสวยงามไปตลอดนี่ต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะสามารถที่จะ หยุดความอยากทั้งสามได้หยุดกามะตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาได้ น, นี่คือการสอนของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นก็สอนพวกที่ขาดปัญญาก่อนแสดงแต่ปัญญาอย่างเดียวคืออริยาาสัจสี่ตายลักพอพวกนี้หมดแล้วเปลี่ยนเหมือนกับพวกน้ำกะทิน้ำแรกเนี่ยพอน้ำกะทิน้ำแรกมันมีพวกนี้เข้มข้น พอน้ำกะทิรุ่นที่สองนี้มันเริ่มเจือจางแล้วเพราะว่ามันมีไม่ครบนะก็ต้องสอนให้มันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาสอนให้ฝึกสมาธิฝึกสติกันมีศีลแล้วแต่ไม่มีสติไม่มีสมาธิพอที่จะทำจิตให้สงบให้ตั้งมัน่นเพื่อที่จะมารองรับปัญญาได้ก็เลยต้องเน้นอยู่ที่การเจริญสติดังที่ทรงแสดงในสติปัฏฐานสูตรนะครับ ในครั้งแรกๆนี้ไม่ได้แสดงสติปัฐานสูตรเลยแสดงแต่อาิย ส, สัจสีแสดงแต่ใจลักแสดงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปเสียงกลิ่นรสเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอพวกนี้เขามีสมาธิแล้วเขามีสติแล้วมีศีลแล้วก็เลยไม่ต้องสอนเรื่อง ศีลเรื่องสมาธิเรื่องสติสอนเรื่องปัญญาเลยพวกนี้เลยเป็นพวกที่สอนง่ายเพราะว่าไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องสอนมากนั่นเองพอสอนคำสองคาก็สามารถบรรลุได้เลยก็ได้ทรงอาศัยพวกนี้แหละที่จะไปช่วยสั่งสอนผู้อื่นอีกทอดหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ฉลาดมากรู้จักเลือกวิธีสั่งสอน สั่งสอนเพื่อที่จะได้ให้ประโยชน์อย่างสูงสุดในระยะเวลาที่ที่สั้นที่สุดก็ส่งเลือกสั่งสอนพวกบัวที่อยู่เหนือน้ำก่อนเกิดไปสอนพวกที่เป็นนักบวชที่มีศีลมีสมาธิที่บ่อยมีสมาธิที่ตั้งมัน่นมีอปปนาสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดเวลาพอพวกนี้หมดแล้วก็ต้องไปหาพวกลองลงมา พวกรองลงมาก็ยังเป็นนักบวชอยู่นักษาศีลกันบริสุทธิ์อยู่แต่ยังไม่มีสมาธิยังเข้าฌานกันไม่ได้ก็เลยต้องมาสอนวิธีเข้าฌานด้วยการให้หัดเจริญสติอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆแล้วพอนั่งสมาธิก็จะสามารถเข้าฌานได้พอเข้าฌานได้แล้วก็สอนให้เรื่องปัญญาต่อสอนเรื่องตายลักสอนเรื่องอริยรรสัจสี่ต่อพอไม่นานพวกนี้ก็สามารถที่จะ บรรลุธรรมขึ้นมาได้ตรงนี้ต้องใช้เวลามากกว่าพวกรุ่นแรกพวกกลุ่มแรกพวกบัวที่อยู่เหนือน้ำพวกนี้ก็เหมือนบัวที่อยู่ปลิ่มน้ำต้องรอเวลาสองสามวันถึงจะโผล่เหนือน้ำขึ้นมาได้ถึงจะสามารถบานขึ้นมาได้พอพวกนี้หมดก็ต้องไปเอากลุ่มที่สามกลุ่มที่สามก็คือพวกที่ยังไม่ได้มีศีลยังไม่มีสมาธิ แต่มีศรัทธามีศรัทธาเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าสามารถที่จะเอาไปกําจัดความทุกข์ต่างๆได้พระองค์ก็เลยสอนให้เขามาถือศีลก่อนส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นผู้คองเรือนเป็นค า, ารวาสมีศรัทธาในการทําบุญทําทานในการรักษาศีลห้า แต่ยังไม่มีกำลังที่จะรักษาศีลแปดศีลสิบศีลสองอยิบเจ็ดได้พ่อองก็ทรงมาสอนให้เขาหัดรักษาศีลแปดกันในวันพระวันธรรมดาก็รักษาศีลห้าวันพระก็หัดมาอยู่วัดสักหนึ่งวันมารักษาศีลแปดมาหัดเป็นนักบวชพูดง่ายๆมาอยู่แบบนักบวชมาหัดไหว้พระสวดมนต์ฝึกสตินั่งสมาธิ มาหัดฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นมาพวงนี้เป็นกลุ่มที่สามโพวกนี้จะต้องใช้เวลานานมากกว่ากลุ่มที่สองกลุ่มที่หนึ่งเพราะว่าเหมือนบัวที่อยู่กลางน้ำบัวที่กว่าบัวกลางน้ำกว่าจะมาปิ่มน้ำก็หลายวันแล้วกว่าจะโผล่เหนือน้ำขึ้นมาก็อีกหลายวันด้วยกันแต่ก็ยังไม่สุดวิสัยยังมีโอกาสที่จะบานได้แต่ช้าหน่อย กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามที่พระองค์ได้ทรงไปโปรดหลังจากที่สอนกลุ่มที่หนึ่งที่สองจจนหมดแล้วหาพวกกลุ่มที่หนึ่งที่สองไม่ได้แล้วก็เลยมาสอนกลุ่มที่สามาสอนบรรดาคารวดญาตโยมให้มาหัดภาวนากันหัดถือศีลแปดกันหัดเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิกันนี่คือบัวสามเหล่าที่มีโอกาสที่จะ โผล่ขึ้นมาเหนือน้ําและบานได้ส่วนกลุ่มที่สี่นี้เป็นพวกที่ไม่มีศรัทธาความเชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าคิดว่าเป็นการโกหกมากกว่าสอนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบุญเรื่องบาปนี่เขาฟังแล้วอดหัวละไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าใครไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาปใครไปสวรรค์ใครไปนรกกันพอเท่าที่เห็นตายไป ไปป่าช้ากันทั้งนั้นเออพวกนี้เขาจะมองอย่างนี้เขาจะไปมองที่ร่างกายเพราะเขาไม่สามารถมองเห็นจิตใจได้จิตใจที่ไปรับผลบุญผลบาปที่ไปสวรรค์ไปนรกนี้ไม่มีรูปน้างหน้าตาเหมือนร่างกายนั่นเองไม่เป็นรูปประทัเป็นนามธรรมาเป็นกายทิพย์ที่ไม่สามารถมองได้ด้วยตาเนื้อ ถ้าจะเห็นใจนี้ต้องใช้ตาทิพย์วิธีที่จะเห็นใจได้ก็ต้องไปเปิดตาทิพย์เรามีตาทิพย์กันแต่เราปิดมันเพราะอะไรเพราะเราเปิดแต่ตาเนื้ออยู่ตลอดเวลาถ้าเราอยากจะเห็นตาทิพย์ก็ตอนที่เรานอนหลับเนี่ยเวลาเรานอนหลับเนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่โลกทิพย์กันโลกของความฝันฝันดีฝันลายฝันดีก็เป็นสวรรค์ฝัน้ายก็เป็นนรก อันนี้เราจะเห็นก็ตอนที่เรานอนหลับแต่เราไม่รู้ถ้าไม่มีใครมาอธิบายเราฟังว่าตอนที่เรานอนหลับนั้นเมืเราไม่ได้อยู่ในร่างกายแล้วเราออกจากร่างกายชั่วคราวเราไปอยู่ในโลกทิพย์กันชั่วคราวแล้วเวลาถ้าร่างกายตายไปก็ไปอยู่ยาวเลยถ้าเราทำบุญทำความดีเราก็จะไปอยู่ในสวรรค์กันอยู่ในโลกทิพย์ที่มีแต่เรื่องดีๆให้เราได้เสพได้สัมผัสกัน ถ้าเราทำบาปเราก็จะมีแต่เรื่องหน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวมีแต่เรื่องภัยต่างๆมาลุมเล้าจิตใจของเรา<อ>นี่แหละคือสวรรค์และนรกเวลาที่ใจไม่ได้อยู่กับร่างกายก็มีสองเวลาที่ใจไม่ได้อยู่กับร่างกายหนึง่งเวลาที่ร่างกายนอนหลับอย่างคืนนี้พวกเรานอนหลับพอนอนหลับปับ๊บเนี่ใจไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วใจไม่รู้ว่าร่างกาย ทำอะไรอยู่หรือไม่ทําอะไรอยู่ใจจะไปอยู่ในโลกทิพย์จะไปอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เติ้ผลิตขึ้นมาด้วยบุญหรือบาปนี้เองเกิดจะฝันดีหรือฝันร้ายถ้าเป็นบุญก็จะทําให้มีแต่ฝันดีถ้าทําบาปไว้ก็จะมีแต่ฝันร้ายฝันเรื่องที่ไม่ดีต่างๆบางทีตื่นขึ้นมานี่ เ, เงื้อแตกพลักเลยเชื่อไหมเวลาฝันร้ายนี่จิตใจยังสัน อยู่กับความฝันเนะี่ยเพราะขณะที่ฝันนี่ไม่รู้ว่าฝันเชื่อหมเวลาที่เราฝันนี่เราคิดว่ามันเป็นของจริงเนะเวลาเรามีความสุขเราก็คิดว่าเราสุขจริงๆเวลาเราทุกข์เราก็คิดว่าเราทุกข์จริงๆจะมารู้อีกทีว่าเป็นความฝันก็ตอนที่เราตื่นขึ้นมานี่เอ๊ะเมื่อกี้นี้ฝันไปเนี่ยฝันดีฝัน้ายเนี่ย ต่มันเวลาฝันมันไม่รู้ว่ามันฝันนะมันรู้ว่ามันคิดว่าเป็นความจริงเหมือนกับตอนเนี้ยตอนนี้เรากําลังฝันอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เชื่อไหมเราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้ฝันก็ได้แต่พอเรารอพรุ่งนี้ดูแล้วมองกลับมาดูวันนี้เป็นยังไงเออเมื่อวานนี้เราทําอะไรไว้เอก็เหมือนกับเมื่อคืนนี้เราฝันอะไรเหตุการณ์ต่างๆมันก็ผ่านไปเหตุนความจริงเราขณะนี้เราก็กําลังฝันกันอยู่ ฝันแบบลืมตาฝันแบบมีร่างกายกับฝันแบบไม่มีร่างกายเวลาเรามีร่างกายเราใช้ร่างกายแล้วก็ฝันไปกับร่างกายเวลาไม่มีร่างกายเราก็ฝันไปกับบุญกับบาปนี่คือเรื่องของจิตใจที่พวกเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อต้องใช้เหตุผลใช้ปัญญาหรือใช้การนั่งสมาธิ การนั่งสมาธินี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราเห็นตัวใจเห็นตัวกัล่างทิพเพราะก่าลังทิพของเราก็คือผู้รู้นี่เอพอเวลาใจสงบเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ก็จะเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่ผู้รู้อันนี้แหละคือใจร่างกายไม่ใช่เป็นผู้รู้ร่างกายเป็นผู้เพียงแต่รับสิ่งต่างๆเข้ามาให้ผู้รู้ได้รับรู้ เช่นรับรูปเข้ามาทางตารับเสียงเข้ามาทางหูรับกลิ่นเข้ามาทางจมูกรับรสเข้ามาทางลิ้นรับผลทพะเข้ามาทางร่างกายตามผิวหนังต่างๆร่างกายทําหน้าที่รับสิ่งต่างๆแล้วก็ส่งไปให้ใจเป็นผู้รู้รับรู้อีกทีใจนี่แหละเป็นผู้รับรู้เป็นผู้มีความสุขกับสิ่งต่างๆหรือมีความทุกข์กับสิ่งต่างๆ ร่างกายไม่เดือดร้อนสิ่งต่างๆที่ร่างกายไปสัมผัสรับรูบร้ไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยผู้ที่สุขที่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่ร่างกายรับมานี้คือใจเนี่ยคือสรุปแล้วก็คือใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันเวลาที่ร่างกายตายไปนี้ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้ไม่มีวันตายใจนี้แหละเป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปต่อไป ถ้าใครฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็อาจจะเกิดศรัทธาเชื่อขึ้นมาว่าโอบุญนี้ทําแล้วมีผลจริงบาปนี้ทําแล้วมีผลจริงแต่ผู้ที่รับผลบุญผลบาปนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รับผลบุญผลบาปก็คือใจเถ้าทําบุญไว้เวลาตายไปใจก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ฝันดีถ้าทำบาปไว้ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ฝันร้าย ฝันดีเราก็เรียกว่าสวรรค์ฝันร้ายเราก็เรียกว่านารกเนี่ยแล้วพอเราพ้นจากการฝันเราก็จะตื่นขึ้นมาใหม่เวลาที่เราได้ร่างกายร่างใหม่เวลาที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่ตอนนั้นเราก็จะตื่นขึ้นมาหลังจากที่หลับไปเป็นเวลายาวนานตอนที่เราตายไปนี้เหมือนตอนที่เรานอนหลับแต่กว่าจะตื่นได้เราต้องมีร่างกายอันใหม่ ต้ อ, ออกมาจากท้องแม่ก่อนถึงจะตื่นขึ้นมาได้นี่คือเรื่องของผู้ที่ทําบุญทําบาปและผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปคือจิตใจนี้เองถ้าเราได้ยินได้ฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็อาจจะเชื่อหรืออาจจะไม่เชื่อก็ได้ถ้าเชื่อเราก็จะเริ่มทําตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็จะสอนให้ทําบุญละบาปไปก่อนให้ถือศีลห้าไปก่อนให้ทําบุญทำทานไปก่อนพอทําได้มากขึ้นก็สอนให้เพิ่มศีลห้าเป็นศีลแปดแล้วก็ให้หัดมานั่งสมาธิมาเจริญสติในใพวกนี้คือเป็นกลุ่มที่สกลุ่มที่มีศรัทธาความเชื่อพอร้อมที่จะทําตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าน ส่วนกลุ่มที่สี่เป็นพวกที่ไม่เชื่อถึงแม้ได้ฟังก็ไม่เชื่อถึงแม้จะอธิบายว่ามีผู้ไปรับผลบุญผลบาปแต่เขาบอกว่าเขามองไม่เห็นเขาก็ไม่ยอมเชื่อเขาเห็นแต่สิ่งที่เขาเห็นคือร่างกายร่างกายตายไปแล้วมันไม่ไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่ไหนนี่เห็นมีไปแต่ป่าช้าเห็นไปไปอยู่ตามเมรต่างๆแล้วก็กลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไป ถ้าฝังไปในดินก็กลายเป็นดินไปเขาก็เลยไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกนี้พระพุทธเจ้าก็ช่วยเขาไม่ได้สอนให้เขาไม่ได้เขาก็ส่งเปรียบพวกนี้ว่าเป็นเหมือนบัวที่อยู่กับโคลนกับตมบัวที่จะไม่มีโอกาสโผลขึ้นมาเหนือน้ำได้เพราะจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปก่อนพวกนี้จะไม่มีวันที่จะสามารถรับ ปัญญาอันเลิศอันประเสริฐแสงสว่างแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าได้สรงคนพบได้พวกนี้ก็จะต้องติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของบัวสี่เหล่าที่พระพุทธเจ้าได้สรงจำแนกแยกไว้พวกเรานี้ที่มาที่นี่ก็แสดงว่าเราไม่ได้เป็นบัวที่อยู่กับโคลนกับตม์ะเพราะว่าถ้า ถ้ามาก็แสดงว่าเราอย่างน้อยมีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้เราจะเป็นกลุ่มที่สามหรือ ก, กลุ่มที่สองหรือ ก, กลุ่มที่หนึ่งก็อยู่ที่ว่าเรามีอะไรบ้างออถ้าเรารักษาศีลแปดได้เราก็อาจจะถือว่าเราเริ่มเข้าสู่กลุ่มที่สองแล้วอถ้าเรายังอ รักษาศีลไม่ได้รักษาศีลแปดไม่ได้รักษาได้เพียงแต่ศีลห้าแล้วก็ทําบุญทําทานอยู่เป็นปกติชอบทําบุญชอบทอดผ้าป่าชอบกระถินชอบงานอะไรต่างๆงานบุญต่างๆพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่สามกลุ่มที่สองก็เป็นพวกที่ชอบเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมเชอบเดินจงกรมนั่งสมาธิถือศีลแปดแล้วก็ออกบวชต่อไป พวกที่ออกบวชเนี่ยเป็นพวกที่กลุ่มที่สองพวกที่กลุ่มที่หนึ่งนี่เป็นพวกที่ถือศีลห้าวันธรรมดาแล้วก็ถือศีลแปดในวันพระซ้อมไปก่อนแล้วพอมีกำลังมากก็บวชได้ก็ออกบวชเป็นกลุ่มที่สองไปพอบวชแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์ก็เป็นกลุ่มที่สองแต่ยังไม่มีสมาธิพอฝึกสมาธิไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเป็นกลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มที่มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิ อเอาปัญญามาพิจารณาเอาอริยสัจสีมาพิจารณาเอาตายรักมาพิจารณาก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดปายจากใจได้กำจัดต้นเหตุของความทุกข์คือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้พอไม่มีตัณหาทั้งสามหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะไม่มีวันปรากฏขึ้นมาอีกต่อไป เหมือนไฟที่ไม่มีเชื้อแล้วไฟที่ไม่มีเชื้อมันก็จะต้องดับไปเวลาเราเผาไฟใช้กระดาษสมมุติใช้กระดาษเผาเป็นกองไฟขึ้นมาพอกระดาษที่มันถูกไฟเผาไหม้ไปหมดแล้วไฟมันก็ต้องดับไปนอกจากว่าเราจะใส่กระดาษใหม่เข้าไปมันถึงจะลุกต่อไปได้ฉันใดตันหาความอยากก็เป็นเหมือนเชื้อไฟนี่เอง ถ้าเรายังป้อนตันหาความอยากเข้าไปในกองไฟมันก็จะไม่มีไฟมันจะไม่มีวันดับนะถ้าเรายังทำตามความอยากอยู่ความอยากมันก็ความทุกข์มันก็ยังจะมีอยู่ไปเรื่อยๆถ้าอยากจะให้ความทุกข์มันหมดไปเราก็ต้องอย่าไปป้อนเชื้อไฟอย่าไปป้อนเชื้อแห่งความทุกข์คือความอยากนั่นเองคืออย่าไปทำตามความอยากหยุดความอยากจะหยุดความอยากได้ก็ต้อง มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสีนั่นเองนี่แหละคือเรื่องของความประเสริฐของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีใครในโลกนี้รู้เรื่องอริยสัจสี่ไม่มีใครในโลกนี้รู้เรื่องไตรลักษณ์มีแต่พระ พ, พุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะรู้ถ้าไม่มีพระ พ, พ, พุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่มีใครสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้เลยนี่คือคุณค่าอันประเสริฐอันล้ำเลิศของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ไม่มีสิ่งใดๆในโลกนี้สามารถที่จะมาเปรียบเทียบได้เลยพวกเราจึงถือว่าเป็นมหาเศรษฐีกันเราได้สมบัติอันประเสริฐที่มีคุณค่ามากกว่าสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาเป็นสมบัติของพวกเราถ้าเรา น้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจของพวกเราด้วยศรัทธาความเชื่อด้วยความภาคเพียรที่จะปฏิบัติให้เต็มที่ที่เรียกว่าสุ ป, ปฏิปันโนพอเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนเต็มที่ตามตามที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนแล้ววิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเป็นผลตามมานิพพานอันประเสริฐที่เรียกว่าบรามสุขขังก็จะตามมา นิบานังประมังสุขขังก็จะเป็นผลตามมาใจก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดเข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไปเพราะใจไม่มีความอยากที่จะไม่มีตัวที่จะดึงไปให้เวียนว่ายตายเกิดนั่นเองก็คือตัณหาทั้งสามนี้ก็ขอให้ท่านจงพิจารณาถึงความเลิศประเสริฐของพระรันาตนตรัยเพื่อที่จะได้เกิดศรัทธา เพื่อที่จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาาปุราปาริปเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานางังอุปกปติ อิทิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสะมิจโตสัพเพปเรนโตสังกะปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติอะราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโขวินัสตุ มาเตภวัตะวันตรายโยสุขีทีคายยโกภวะพิวาทนสีลิตสะนิจังวุธาปจายโนจตตารธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลั ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามก็เชิญเข้ามาถามได้ถ้าไม่ต้องการเข้ามาเองก็เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาหรือใส่ข้อความในที่ถ่ายทอดสดตอนนี้ก็ได้พิมพ์เข้าไปถ้าเปิดติดตามถ่ายทอดสดวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามาทั้งหมด419คนยูทู e 142คน วิทยุออนไลน์ยี่สิบคนพูดและฟังบนเขาหนึ่งร้อยแปดสิบคนรวมทั้งหมดเจ็ด้อยหกสิบเอ็ดคนครับผมอวันนี้แตะเจ็ดร้อยนะเฟซบกเข้ามาทั้งสี่ร้อยผิดปกติธรรมดาแค่สามร้อยกว่าวันเสาร์ที่เมื่อวานนี้วันเสาร์สองร้อยกว่าไม่แน่นอนนะอันนี้จังอ่มีคำถามก็เชิญถามได้เลย มีคำถามจากคุณชนิดาเปรมเสถียรค่ะชอบแต่จะฟังธรรมะจากยู u b e หรือฟังจากไล์สดแต่สวดมนน้อยค่ะแต่ใส่บาตรทาบุญตลอดและค่อนข้างมีสติรู้ตัวพอสมควรควรต้องมีการสวดมนให้สม่ำเสมอใช่ไหมเจ้าคะก็แล้วแต่นะบางคนอาจจะมีสติได้ด้วยการฟังธรรมก็ได้ะ คนบางคนก็ได้สติจากการสวดมนต์บางคนก็ได้สติจากการระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาก็เป็นวิธีต่างๆที่จะทำให้เกิดสติขึ้นมาข้อสำคัญคือให้เรามีกำลังสติที่จะหยุดความคิดความอยากให้ได้เพื่อที่จะให้ใจเข้าสู่ความสงบให้ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเสร็จลองนั่งสมาธิต่อดูปิดเสียงธรรมแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกต่อไปอย่าเพิ่งเลิก ฟังธรรมเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิต่ตอเพราะว่าการฟังธรรมนี้ก็เป็นการเจริญสติต้องมีสติอยู่การฟังธรรมใจตั้งมั่นไม่ไปคิดนูน่นคิดนี่เพราะฟังเทศจบแล้วก็ลองนั่งดูลมต่อไปคำถามจากคุณสมเกียรติดำริการเลิศกราบนามัสการพระอาจารย์ครับอยากจะถามว่าเมื่อเราใส่บาตรเสร็จ พระสงฆ์จะสามารถให้พรเราในขณะบินา บ, บาตได้หรือไม่ครับคือตามธรรมเนียมแล้วมันไม่สะดวกที่จะให้พรทุกคนเขา้าใจไหมอย่างว่าเช้านี้บินา บ, บาตสี่ร้อยสามสิบเก้าคนถ้าให้พรทุกคนก็เพนก็ยังกลับวัดไม่ถึงนะงั้นเขาไม่ดียมกันการให้พรตอนบินา บ, บาตแล้วก็ความจริงพรก็ไม่เกี่ยวกับการใส่บาตร ไม่ได้ทำให้บุญที่เกิดจากการใส่บาตรมากขึ้นแต่อย่างใดบุญเกิดขึ้นแล้วในขณะที่เราใส่ในขณะที่เราเสียสละการให้พรนี้ไม่ได้เพิ่มบุญไม่เพิ่มอะไรเพียงแต่ให้กำลังใจหรือแสดงความยินดีท่านั้นว่ า, าคุณกำลังทำสิ่งที่ดีนะเพราะสิ่งที่ดีนี้จะเป็นเหตุที่ให้คุณจเจริญด้วยอายุวันณัสุ ข, ขพะพละท่านนั้นเองเป็นการบอกเป็นการสอนเป็นการให้กำลังใจเฉนั้น ไม่ควรที่จะต้องรอรับพรและไม่ควรที่จะให้พรโดยเฉพาะเวลาที่เดินบินทบาทนะมันจะเสียเวลามากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องพรเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับบุญคนละเรื่องกันให้พระพระหนึ่งองค์ให้พรพระสิบองค์ให้พรมันก็ไม่เกี่ยวกันไม่มีพระให้พรมันก็ไม่ได้ทําให้บุญน้อยลงไปแต่อย่างใด บุญจะมากจะน้อยอยู่ที่ใส่มากใส่น้อยอยากจะได้บุญมากถวายพระสิบรูปอย่างเงี้ยถ้าถวายพระรูปเดียวมันก็น้อยน้อยได้น้อยหน่อยถ้าถวายอาหารสิบชุดนี้กับถวายอาหารอาหารชุดเดียวนี้อันใหญ่จะมากกว่ากันอาหารสิบชุดมันก็ต้องมากกว่าอาหารชุดเดียวเนี่ยถ้าอยากจะได้บุญมากใส่มากๆเสียสละมากๆ คำถามจากคุณกำพลหงทองเรียนถามพระอาจารย์ครับการถือศีลแปดนั้นเราจะได้บุญไหมครับหรือเป็นการตัดจากกิเลสถ้าซื้อศีลแปดยังไม่บริสุทธิ์มันก็ได้ไม่เต็มที่ถ้าแบบเด็กก็ล้มลุกคุกขานยังเดินไปไหนมาไหนไม่ได้ไกลถ้าอยากจะได้บุญมากได้ประโยชน์เต็มที่ต้องแบบรักษาได้แบบวิ่งมาราธอนอย่างนี้ ไปรักษาไม่มีวันขาดไม่มีวันหยุดเนี่ยอันนี้ถึงจะได้เรียกว่าได้บุญจริงๆแต่ถ้าซื้อสิน 8, แปลนั่าเดี๋ยวก็ไปทำบาปผิดข้อนั้นผิดข้อนี้อะไรอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยได้บุญเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าไม่รักษาเนี่ยคำถามจากบนเขาค่ะรวยแต่ไม่มีสินเลยแต่ชอบใช้เงินพุ่มทำบุญทำทีไะเยอะๆ แต่มีความรู้มากในขั้นปริยัตย์แบบนี้จัดว่าเป็นบัวกลุ่มไหนคะก็กลุ่มที่สามอย่างน้อยถ้ายังทําบุญอยู่ก็แสดงว่ายังมีศรัทธาอยู่รักษาศีลบ้างไม่รักษาศีลบ้างก็เป็นบัวเป็นเด็กที่กําลังหัดเดินหัดอะไรก็ล้มลุก ค, ค, คลุกคานไปก่อนเป็นกลุ่มที่สามเป็นคารวาส ท, ที่ยังมีศรัทธาเชื่อบุญเชื่อบาปแล้วก็พยายามรักษาศีล ละเว้นการทำบาปตามกำลังทำบุญตามกำลังไปก่อนก็จะอยู่ในกลุ่มที่สามคำถามจากแม่อ้วนพระนาจารย์ขออนุญาตถามทำยังไงดีหนอให้มีสติ24ชั่วโมงก็พุทโธหนาะ24ชั่วโมงพุทโธเนอพุทโธเนาะ24ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็มีสติ24ชั่วโมง สติก็เกิดจากกรรมบริกรรมพุโทโธนี่แหละคำถามจากคุณกลยุทธ์พจนาพิมลรบกวนถามเรื่องการขอโหดศิกรรมว่าจะทำอย่างไรหากเรามีเจ้านายที่โกรธเราเกลียดเราแต่เราไม่ทราบสาเหตุพยายามที่จะถามเขาแล้วเขาบอกว่าไม่มีอะไรขอโทษเขาก็แล้วแต่พฤติกรรมก็ยังแสดงออกมาว่าโกรธ เกลียดไม่มองหน้าพูดด้วยก็ไม่ตอบทุกวันนี้นั่งสมาธิและแผ่ไม่ตาให้เขาทุกครั้งขอให้เขามีความสุขขอให้เขาเลิกเรียดเบียนเราไม่ทราบจะได้ผลไหมครับขอได้แต่อยู่ที่เขาจะให้เราหรือเปล่าแต่เขาไม่ให้เขาไม่ให้ก็อย่าไปหวังแล้วกันปล่อยให้เขาโกรธไปปล่อยให้เขาเกลียดไป ให้คิดว่าคนเราบางทีมันไม่ถูกชะตากันนะเป็นเรื่องของชะตากรรมไปก็แล้วกันไปเจอคนที่เขาชอบเกลียดเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ปัญหากับเราไม่ได้อยู่ที่เขาหรอกอยู่ที่เราเราทุกข์เราอยากให้เขาไม่เกลียดเราเราจึงทุกข์ถ้าเรายอมรับว่าเออมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยความเกลียดของเขานี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เราห้ามเขาไม่ได้อนัตตาแปลว่าห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาเกลียดไป เ, เรื่องเราก็อยาาไปอยากให้เขาไม่เกลียดเรามันก็เราก็จะไม่ทุกข์ก็อยู่แค่ตรงนั้นแหะคำถามต่อไปจากคุณเนโกจังกราบนมมสการพระอาจารย์พระที่ยืนให้พรหลังจากที่โยมใส่บาตรแล้วผิดพระวินัยหรือเปล่าเจ้าคะและโยมใส่บาตร บุญจะถึงผู้ที่เราอุทิศให้หรือเปล่าเจ้าคะก็เมื่อกี้ก็ตอบไปแล้วว่าให้พรหรือไม่ให้พรมันก็ไม่เกี่ยวกับบุญที่เราทํนะบุญที่เราใส่บาตรปุ๊บนี่เราอุทิศได้เลยไม่ต้องรอให้พระมาให้พรส่วนท่านยืนให้พรจะผิดวินัยหรือไม่ก็เรื่องของท่านไม่ไม่ใช่เรื่องของเราคำถามจากคุณลำยัยเกตแจ้รบควรกราบเรียนถามพระอาจารย์ หากผู้ที่เคยสร้างเวรกรรมไว้กับเราแล้วไม่ได้การอโหสิกรรมจากเราเขาจะหลุดพ้นเวรกรรมนั้นหรือไม่เจ้าคะก็เวรที่อยู่ที่เราไปจองหรือเปล่าถ้าเราไม่จองเวรเขาก็หลุดจากเวรแต่กรรมนี้เขาไม่หลุดเขาทำกรรมบันไดว้เขาก็ต้องไปรับผลกรรมนั้นเวรนี้หลุดได้ถ้าคนที่เป็นคู่เวรเขาให้อภัยเขาไม่จองเวร เวรก็หมดไปแต่กรรมไม่หมดไปฆ่าเขาไปขโมยเงินของเขาหรือไปทำร้ายเขาเนี่ถึงแม้เขาจะโหสิให้อภัยแต่เราข้างหน้าจะต้องไปเจอใครเขามาทำร้ายเราบ้างอันนี้เป็นเรื่องของกรรมเวรกับกรรมมันคนละเรื่องเวรก็เกี่ยวกับคนที่มีปัญหาด้วยกันจองเวรกันส่วนกรรมนี่มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ทำร้ายผู้อื่นก็จะต้องถูกเขามาทำร้ายเราฆ่าผู้อื่นเราก็จะต้องถูกเขาฆ่ า, าทำอย่างไดก็จะได้อย่างนั้นเรียกว่ากฎแห่งกรรมคำถามจากคุณปาลิศยากราบเรียนถามพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิจนลมหายใจบางเบาจนจับไม่ได้จำเป็นต้องพุทตตอใหม่คะไม่ต้องหรอกให้ดูเฉยๆให้ดูว่าจับไม่ได้ ดูว่าคิดหรือเปล่า yeah. ถ้าคิดก็หยุดมันอย่าให้มันคิดให้มันดูเฉยๆดูความว่างไปดูความไม่มีลมไปอย่าให้มันคิดให้ดูเฉยๆไปคำถามจาก YouTube จากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วการใส่บาทแบบทำอาหารเองได้บุญสองแบบทั้งทำทานที่เสียสละเงินและสละแรงใหม่คะ ก็มีส่วนเพราะถ้าเราทําเองเราก็ต้องเสียแรงแรงกายไปแต่ถ้าเราไปซื้อเราก็ไม่เราก็ใช้เงินซื้อแรงกายของผู้อื่นสรุปแล้วก็ได้เท่ากันแหละถ้าจํานวนของอาหารที่เราใส่มันเหมือนกันถ้ากว๋วยเตี๋ยวชามเดียวทําเองหรือไปซื้อมาใส่บาทมันก็ได้เท่ากันแหละมันอาจจะได้ตรงที่ว่าตอบไปจะเก่งเรื่องทําก๋วยเตี๋ยวชาหน้าเวลาไป ตกทุกได้ยากที่ไหนก็จะทําก๋วยเตี๋ยวกินได้ถ้าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินกระช่าน้าไปที่ไหนไม่มีกว๋วยเตี๋ยวขายก็ไม่ได้กินเพราะทาไม่เป็นก็ต่างกันตรงนั้นน่ะคําถามจากคุณปาลิดยากราบเรียนถามพระอาจารย์ที่บ้านจะมีกระปุกสําหรับหยอดเงินสําหรับทําบุญอยากทราบว่า บุญจะสําเร็จทันทีที่เราหยอดเงินนั้นไปในกระปุกอมสินหรือตอนที่เรารวบรวมเงินมาซื้อข้าวของไปทําบุญคะก็อยู่ที่ว่าเราเอาเราใส่ไปแล้วเราเอาเอ า, เอาเก็บมาคืนหรือเปล่าถ้าใสไปแล้วไม่คิดจะมาถือว่าเป็นของเราก็เป็นบุญขึ้นมาแล้วแต่ถ้ายังคิดว่ายังเป็นของเราอยู่มันก็ยังไม่เป็นบุญบุญย่องถือว่ามันไม่ได้เป็นของเราแล้วถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ไปให้ใครก็ตาม แต่เงินก้อนนั้นเราจะไม่เอามาเป็นของเราต่อไปก็จะเป็นบุญตั้งแต่เราใส่เข้าไปแล้วหมดแล้ ว, ลว<ม>เลยงั้นอยู่ที่การเสียสละอยู่ที่การปล่อยวางเข้าใจไหมตัวใหญ่เราจะยึดติดกับเงินทองเข้าของพอยึดแล้วทำให้ใจเราใจเราไม่สบายอ่ะมันมันมันหวงมันห่วง แต่พอเราให้เข้าไปแล้วก็หมดห่วงหมดห่วงแต่ถ้าใส่ในกระปุกนี่มันอยู่ที่ใจเรายังห่วงยังห่วงอยู่ว่าถ้ายังห่วงยังห่วงอยู่ก็แสดงว่ายังไม่เป็นบุญใส่ไปแล้วก็หลือว่าถือว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันจะไปที่ไหนเรื่องของมันนะอันนี้ก็ถึงจะได้เป็นบุญยังไม่มานะเพะะนั้นการทาบุญนี้ต้องทำแบบปล่อยวางถึงจะได้บุญ อย่ไปทำแบบบังคับคนรับวันก่อนขอหลวงพ่อช่วยใส่จีวรให้หนูหน่อยนะนี่ถ้าหลวงพ่อไม่ใส่หนูเสียใจอีก อ, อย่างนี้ก็แทนที่จะได้ความสุขใจก็ต้องมาเสียใจแล้วหลวงพ่อถ้าทุกคนบอกให้ใส่จีวรของของหนูจะจะมีเวลามาทำอย่างอื่นที่ไหนแล้วจีวรพอเราใสาปุ๊บนี่มันก็จะไปทำบุญต่อไม่ได้แนละ้ว ว่ามันเป็นเหมือนของใช้แล้วแต่ถ้าเรารับแล้วเราไปทําบุญกับพระหรือวัดที่เขาไม่มีผ้ามันก็ยังได้ประโยชน์มากกว่าที่จะมาให้สายเพียงแค่ครั้งเดียวสายครั้งเดียวก็น่งเหนื่อยแกะมันออกมาแกะเอามาใส่ห่มให้ก็หน่อยเสร็จแล้วก็เอาเอ า, เอาห่อเก็บสายหอยพอจะให้ให้ใช้ทั้งสิบผืนได้ที่ไหนเระมันก็ใช้ได้ผืนเดียวนะ เพ้เวลาทำบุญแล้วอย่าไปบังคับคนรับของว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้กับเขาหรือถ้าอยากจะทำอย่างนั้นก็ได้ต้องไปบอกเขาก่อนว่าทำตามได้หรือไม่ถ้าทำตามไม่ได้ก็ก็อย่าไปทำกับเขาก็แล้วกันเช่นถ้าใครอยากจะมาบังคับเราให้ทำอะไรเวลาที่ให้ของมาเราก็บอกยังไม่ต้องเอามาก็แล้วกันเพราะเราทำตามไม่ได้เอาจริงๆ แต่ถ้าให้มาแล้วเราตามอัธยาศัยเราจะไปทำอะไรที่ไหนกับใครเรื่องของเราอย่างนี้แล้วเราก็รับไว้เนี่ยของส่วนใหญ่ที่รับนี่เราไม่ได้เอามาเกี่ยวข้องกับเราเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพาระนั้นเมื่อมันไม่มีประโยชน์กับเราก็ เ, าเก็บไว้ทำไมก็ให้กับคนที่เขาขาดแคลนที่เขาต้องการอยู่กับให้พรพรูปอื่นเนี่ยบนนี้มีพระตั้งสิบกว่ารูปของต่างๆนี่ก็เป็นสังฆทาน เป็นของพระทุกรูปที่มีอยู่นี้เรบเป็นเพียงแต่ตัวแทนนับของทนั้นเองแล้วอาจจะหยิบบ้างของนู้นของนี่ที่เราจําเป็นต้องใช้พอเราขาดเราเห็นเราก็หยิบมาใช้บ้างแต่เราจะไม่มีมากกว่าที่เราจําเป็นจะต้องมีเพราะมีแล้วมันนาคาญเน่ยมันเกะกะต้องมาลกนุงรังต้องมาดูแลแล้วของมันจะเก่าไปเปล่าๆสูวเราใช้ของใหม่ไปเรื่อยๆดีกว่าพอหมดก็ยาสีฟันหมดก็รอหลอดใหม่ ไม่ใช่คอยเก็บไว้สิบหลอดนี่อย่างนี้มันก็เก่านะเพราะฉะนั้นการทาบุญทาทานถ้าอยากจะให้ได้บุญอย่างเต็มที่นี่อย่าไปตั้งเงื่อนไขหรือถ้ามีความจำเป็นจะต้องตั้งเงื่อนไขก็อีกเรื่องหนึ่งเช่นเราต้องการให้เอาเงินนี้ไปปลูกกุฏิหรือไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ก็อยู่ผู้รับว่าเขารับเงื่อนไขของเราได้หรือเปล่าอย่างน้งตานี่มีคนถวายโบสถ์เนี่ยถ้าบอกท่านรับไม่ได้ ท่านไม่ต้องการโบสถ์ในในวัดท่านท่านก็ไม่รับบางคนส่งเงินมาให้สร้างกุฏิท่านก็บอกกุฏิมันพอแล้วท่านก็ส่งเงินคืนไปมีคำถามจากคุณสาวนุยวิเชียนรัตค่ะเวลานั่งภาวนาบริกรรมพุทโธอยู่ในใจรู้สึกว่ามีความคิดอื่นเช่นอนาคตรหรืออดีตหรือเรื่องสับเพเหระ พุทโธก็ภาวนาความคิดแบบนี้ซอนขึ้นมาด้วยแบบนี้ไม่ทราบว่าทําถูกไหมคะใหม่ๆพุทโธมันยังมีกําลังน้อยเหมือนกับจูนวิทยุอ่ะยังจูนไม่เข้าล่องมันก็เลยมีคลื่นอื่นเข้ามาแทรกได้เนีย่ยเวลาแล้วเราต้นพุทโธใหม่ๆมันยังจะมีความคิดเข้ามาแทรกอยู่เรื่อยๆเราอย่าไปสนใจพยายามจูนพุทโธพุทโธให้มันอยู่ในพุทโธอยู่ในล่องของพุทโธไป แล้วต่อไปพุโทโธมันมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นให้ความคิดต่างๆที่เข้ามาแทรกมันก็จะน้อยลงน้อยลงไปเนี่ยไม่ต้องไปกังวลเพียงใดอย่าไปตามมันนั้นเอพอคิดถึงอดีตก็ตามมันไปเลยคิดถึงคนนั้นคนนี้ฝันถึงคนนั้นคนนี้ก็ต่อไปเลยคิดต่อไปอย่างนี้ก็ไปเลยออกจากล่องพุโทโธแล้วพอมันจะคิดเรื่องอื่นแล้วก็พุโทโธของเราตอไปไม่ต้องไปสนใจมันน แล้วต่อไปเดี๋ยวความฟิตต่างๆมันก็จะลดน้อยถอยลงไปงคำถามจากคุณพีโกเรียนถามพระอาจารย์เมื่อใจเผอยินดีทั้งดีและไม่ดีแสดงว่าสติยังอ่อนใช่ไหมครับใช่สติยังอ่อนสมาธิยังน้อยอุเบกขาอย่างน้อยอยู่ถ้ามีอุเบกขามากนี่มันจะไม่รักไม่แฉ่งไม่ยินดียินร้ายเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็น คำถามจากคุณวิโรจโชติเวสเรียนพระอาจารย์ทำอย่างไรจะไม่เกิดอีกครับก็ปฏิบัติธรรมออกบวชแล้วก็ตัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจตัดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าไม่บวชมันจะมีเวลาไม่พอต้องบวชมันถึงจะมีเวลามาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ถ้าเป็นคารวา่ามันยังต้องไปทางานต้องไปทาอะไรอย่างอื่นเยอ เวลาที่จะมาตัดมันมีน้อยจะกจะไม่ทันเวลาคำถามต่อไปจากคุณยง้งกราับนามัสการครับขอความเมตตาครับลูกชายวัยห้าขวบเวลาบอกให้ไหว้พระพุทธรูปไหว้สารพระพรหมสารตามที่ต่างๆลูกชายถามว่าพ่อไหว้ทำไมแค่ปุ้นป้านขึ้นมาผมควร ตอบลูกชายว่าอย่างไรครับคุณก็ตอบไคุณไหวทำไมก็ตอบก็ไปสิมาถามเราได้ไงเราก็ไม่เคยไหวของพวกนี้มอคุณไหวคุณก็ต้องตอบข้อให้ได้สิถ้าถามว่าไหวพระพุทธลูกทาไมก็บอกว่าเราไม่ได้ไหวปูนปั้นเราไหวตัวแทนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้ที่สามารถช่วยเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ก็อธิบายเข้าไป แต่ของบางอย่างนี้ที่ว่าว่ากันแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไหว้กันทําไมแต่เขาเชื่อเขาว่ายเขาว่ายกันไปตามตามความเชื่อของเข า, างั้นถ้าเราจะสอนใครเราก็ต้องมีมีการอธิบายให้เขาเข้าใจเขาจะได้รู้ว่าเขาทําเพื่ออะไรคํำถามจาก youtube จากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วชาตินี้มีโอกาสได้เจอพุทธศาสนา และได้ศึกษารมและปฏิบัติเกิดจากโอกาสหรือเป็นบุญเก่าคะคือการมาเจอพระพุทธศาสนานี่มันเป็นเรื่องของโอกาสจังหวะเหมือนกับเวลาเราขับรถไปจอดที่สี่แยกไฟแดงโอกาสจังหวะที่เราจะเจอรถข้างๆเหล่านี้มันไม่รู้จะเป็นใครใช่ไหมถ้าไปเจอรถขายไอสกรีมก็โชคดีขอซื้อไอติมเลย แต่มันจะไปเจอกันทุกครั้งที่สี่แยกก็เปล่ามันเป็นเรื่องของโอกาสแต่เรื่องของบุญเก่าก็คือว่ามีเงินซื้อไอติมเขอเปล่าพอไปเจอรถไอติมถ้าไม่มีเงินในกระเป๋าซื้อไอติมอยากจะกินไอติมก็ซื้อไม่ได้เพราะไม่มีเงินนี่เรื่องของบุญเก่าเงินที่เราหามานี่เป็นเหมือนกับบุญเก่าเปรียบเทียบให้ฟังถ้ามาเกิดในศาสนามาเจอศาสนาพุทธแต่ไม่มีบุญเก่าเป็นพวกบัวเหล่าที่สี่อย่างนี้ ก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะได้จากพระพุทธศาสนาเพราะไม่ศรัทธาไม่เชื่อเหมือนกับไม่มีเงินศรัทธาก็คือเงินที่จะซื้อสิ่งต่างๆที่พระพุทธศาสนาขายให้กับเรานั่นเองยิงนั้นต้องมีบุญเก่าด้วยมันถึงจะมีเดี๋ยวจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เรามาพบปะคำถามข้อที่สองถ้าเราปฏิบัติชาตินี้แต่ยังไม่จบ ทำยังไงจึงจะเป็นนิสัยต่อไปทุกภพชาติคะก็ต้องทํามากๆทำให้มันเป็นนิสัยเหมือนกับมือซ้ายมือขวาเนี่ยเราเชื่อไหมว่าทุกภพทุกชาติที่เรามาเกิดนี่เราใช้มือมือเดิมเสมอเคยใช้มือขวามันจะมาใช้มือซ้ายไม่ได้หรอกมันก็ต้องใช้มือขวาไปคนที่ใช้มือซ้ายมันมาเกิดที่ไรมันก็จะใช้มือซ้ายไปต้องทําแบบนั้นทำให้มันเป็นนิสัยทําบุญยังกระทั่งมันเป็นนิสัยติดเป็นนิสัย ละบาปเพื่อต้องทําให้มันเป็นนิสัยไปแล้วต่อไปเวลามันไปเกิดมันก็จะทําตามนิสัยทำไมคนมาเกิดจึงมีนิสัยไม่เหมือนกันบางคนทำไมชอบทําบุญบางคนทำไมชอบทําบาปก็เพราะเขาทําจนเป็นนิสัยคําคำถามต่อไปจากคุณพันธิภากราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะที่เขาบอกว่าตายเพราะหมดอายุแสดงว่า เขากำหนดเวลาให้เราอยู่บนโลกมนุษย์ได้แค่นี้ใช่ไหมคะไม่ใช่หล้วตายเพราะหมดลมไม่ใช่หมดอายุไม่มีลมหายใจมันก็ตายเลยหรือไม่หายใจมันก็ไม่มีลมแัม้นไม่ใช่หมดอายุพอมันไม่มีลมก็เรียกว่าอายุมันหมดความตายก็คือการสิ้นสุดของอายุอายุเท่าไหร่ก็เท่านั้นเ็้าใจไหม ถ้าตายตอนแปดขวบก็หมดตอนแปดขวบอายุก็มีแค่แปดขวบถ้าตายตอนแปดสิบก็อายุก็หมดแค่ตอนแปดสิบนะแต่มันหมดท่อลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจมันก็มันก็หมดอายุถ้าอยากให้มีอายุไปเรื่อยๆก็อย่าหยุดหายใจ <laughs> คำถามต่อไปจากคุณ จากคุณเกตนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะการเดินจงกรมต้องภาวนาอย่างไรควรวางจิตไว้ที่ไหนเจ้าคะได้สองอย่างเดินไปพุโทโธไปก็ได้อวางจิตไว้ที่พุโทโธอยู่ที่คําบ ร, ริกรรมพุโทโธหรือถ้าจะวางไว้ที่เท้าก็ได้อยู่ที่ซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนตาหารเนี่ยสา้เวลาที่เขาหัดเดินการเข้าจะหวะซ้ายขวาซ้ายขวาจะได้รู้ตอนนี้ยี่ กำลังใช้เท้าไหนกำลังใช้เท้าซ้ายก็ซ้ายเท้าเท้าขวาก็ขวาได้สองอย่างมีคำถามจากคุณชุมนมลอนดอนกราบนามัสการพระอาจารย์การนั่งสมาธิจุดประสงค์ก็เพื่อให้จิตสงบแต่ถ้าเรานั่งเพราะอยากได้ฌานแบบนี้ถือว่าเป็นกิเลสใช่ไหมเจ้าคะเกิ กิเลสนี้มันจะเป็นเฉพาะเวลาอยากได้แฟนมากกว่าถ้าอยากได้ฌานนี่ไม่เป็นกิเลสเรียกว่าเป็นธรรมนะเพราะว่าฌานนี่ไม่มีโทษไม่เหมือนกับแฟนได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวมันทุกข์สิ่งใดที่ได้มาแล้วเป็นทุกข์เราเรียกว่ากิเลสสิ่งใดที่ได้มาแล้วไม่ทุกข์เราไม่เรียกว่ากิเลสเราเรียกว่าธรรมคำถามจากคุณโรงศักดิ์เขมเพจถ้าไม่มีตาทิพย์ เห็นกายทิพย์เปรตเทวดาจะเป็นพระโสดาบันปิดอบายได้ไหมครับเ อ, อไม่ต้องเห็นเปรตเห็นอะไรหรอกเพียงแต่เห็นว่าเหตุคือการทําบาปเป็นเหตุที่จะทําให้ไปเกิดในอบายก็พ อ, อ, อคําถามจากคุณเอมมี่ดอลลี่กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเรียนถามพระอาจารย์เมื่อตั้งมั่นในภาวรัตนาตรัยแล้ว พอมีเพื่อนชนไปไหว้ศาลเจ้าศาลหลักเมืองศาลเจ้าที่เจ้าทางศาลพระภูมิและไม่กินของเส้นไหว้ใดๆแต่ใจเราไม่อยากกราบไหว้ไม่ได้ลบหลู่แต่แค่ไม่อยากกราบไหว้แบบนี้ได้ไหมคะคือทำอะไรที่ไม่ขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ทำได้เห็น้าอันไหนที่ไม่ขัดก็ทำได้เช่นไหว้หนู่นไหว้นี่พระพุทธเจ้าไม่ห้าม ไหว่พอ่อไหว้แม่ไหว้วัวไหว้ควายจะไหว้อะไรก็ได้อันนี้ถ้าไม่ได้ห้ามท่านห้ามไม่ให้ทำบาปอย่างถ้าไม่ได้ท่านห้ามไม่ดื่มชวราเนี่ยถ้าดื่มชวราเนี่ยไม่ได้เพราะท่านห้ามไว้แต่สิ่งที่ท่านไม่ห้ามทําไม่ได้หมดแล้วนะดีมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่น่าจะมีนะ